Book 2 4สี่สิบหกในดิสโกเทกเ ท, ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ Är d ด t l e d ี g här? ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ เชิญค่ะยินดีดีคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะว่ s ซึ y ส์คุณว่าเกี่ยวเสียงดังไปนิดค่ะ i t t f อ r h ฮอ t แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะแต่แบนเน่เล่ l ไ r g a n s k ก bra» คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะอะร์ดูฮาร์อฟเไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะนยีังแรกค่ะดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะไมคยมายคะฉยากเต้คันรํคา่่นไหเมคะฉันไคคนคัันะ อีกเดียวอาจจะไปค่ะอดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะฉันไม่เก่งค่ะฉม่เก่งค่ะฉ a เก่งค่ะฉัม่กฉันไเก่ค่ะฉันไม่เก่งค่ะเคฉันไ่เกะมกงค่ะนค่ะฉันนค ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะไหนเอ็นออนก้องคุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะเว้นแต่ดูปนุ่นใช่ค่ะรอแฟนอยู่อย่าพูดวันนีเขามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะม่น